มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาอัฐธรรมวักทุกราการิกะปัญหาที่6ถามว่า พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทำทุกขะกิริยาเหมือนพระโคโดมโพธิสัตว์หรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิเบตีจึงมีวาจาตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสัพเพโพธิสัตตาสมเด็จพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทุกพระองค์กระทำซึ่งทุกขะกิริยา เหมือนพระโคดมโพธิสัตว์เจ้าหรือประการใดพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายอื่นจะกระทําทุกขระกิริยาเหมือนพระโคดมบรมโพธิสัตว์เจ้านั้นหาไม่ได้นะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดี มีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาถ้าว่าฉะนั้นจะควรที่ไหนเหตุอะไรจึงไม่เหมือนกันตกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นเวมติต่างกันหรือประการใดพระนาคเสณวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชคอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ ตกว่าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นเวมติต่างกันจะตูหิฐานเนหิด้วยฐานสี่ประการกุละเวมัตตาคือต่างกันด้วยตระกูลบางทีเป็นตระกูลกษัตรบางทีเป็นตระกูลพราหม์อย่างนี้ประการหนึ่งอัฐานางเวมะตตาคือต่างด้วยสร้างพระบารมีบางที บารมีมีสิหอสงไขยแสนกันบางทีแปดอสงไขยแสนกันบางทีสี่อสงไขยแสนกันต่างกันชนี้ประการหนึ่งอายุเวมัตตาคือต่างกันด้วยพระชนมายุบางทีน้อยเหมือนหนึ่งสมเด็จพระสัพพันยุบรมครูเจ้าของเรานี้บางทีก็มากกว่านี้ เหมือนพระชนมายุแห่งสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันอย่างนี้ประการหนึ่งประมาณนางเวมัตตาต่างกันด้วยประมาณคือประมาณพระรูปบ้างบางทีเล็กบางทีใหญ่ประการหนึ่งสิริเป็นต่างกันท่้นสี่ประการเท่านี้ส่วนการกระทําทุกกระกิริยานี้ไม่เหมือนกัน เป็นอัธานะเวมติต่างกันด้วยกระทำบ้างมิได้กระทำบ้างแต่เมื่อได้ตรัสเป็นสมเด็จพระสัพพัญยูแล้วก็ตรัสรู้เหมือนกันประกอบด้วยพระสิริรูปและฌานศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะและจะตุเวสารัชยานทศพลยานจุตัะพุทธยาน อัธรษะพุทธธรรมเหมือนกันจะได้แปลกต่างกันหามิได้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิโตดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระลักษณเสนผู้ปรีชาตกว่าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจะตรัสเป็นสมเด็จพระสัพพัญยูรู้ธรรมนั้นรู้เหมือนกันเท่ากันเมื่อเช่นนั้น พระโพธิสัตว์เจ้าของเรากระทำทุกขระกิริยาเพื่อประโยชน์ประการใดเรื่องถามว่าพระโคดมโพธิสัตว์ทำทุกขระกิริยาเพื่ออะไรพระนาคเษนวิสชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันพระโพธิสัตว์เจ้าแต่การก่อนนั้นต่อบารมีแก่กล้า ท่านจึงออกสู่มหาพิเนสกรมพระโคดมโพธิสัตว์เจ้าออกสู่มหาพิเนสกรมแต่บารมียังอ่อนอยู่เหตุนี้จึงต้องกระทำทุกขระกิริยาเพื่อจะให้พระยานแก่กล้าขอถวายพระพรเรื่องถามว่าดูนออกสู่มหาพิเนสกรมต้องทำทุกขระกิริยาทำไมรอให้บารมีแก่แล้ว ออกตรัสเป็นพระที่เดียวไม่ได้หรือสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาฆเสนค่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาเหตุไหนพระโคดมโพธิสัตเจ้าจึงออกสู่มหาพิเนศกรมแต่บารมียังอ่อนให้ผิดกว่าพระโพธิสัตว์แต่ก่อนเล่าพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระโกดมผูทิสัตว์เห็นวิปปการแห่งพระสนมกรมคนานางนอนหลับกรนคลางน้ําลายไหลสาราพัดเ จ, จวิการไปทุกอย่างปรางประสาทสงัดเหมือนชัดแห่งป่าช้าพระนิพพิธาญานก็บังเกิดในพระบวรราชสันดานในอัฐรติกะสมัยเที่ยงคืนพระองค์ก็บังเกิดเหนยนาย นี้ออกสู่มหาพิเนศกรมบรรพชาเสียแต่พระยานยังอ่อนเพราะเหตุชะนี้จึงผิดกว่าโพธิสัตว์แต่ก่อนข้อหนึ่งเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เดือดร้อนมิได้อาวรด้วยนิกร น, นางสนมดํมริในพระอารมณ์จะเสด็จออกสู่มหาพิเนศกรมนั้นยังมีมารผู้หนึ่งรู้ในจิตพระบรมโพธิสัตว์เข้าใจสันทัดว่า พระโพธิสัตว์ออกสู่มหาพิเนสกรมไม่ช้าก็จะได้ตรัสจะนำสัตว์พลวิสัยแห่งมารเป็นแม่นมั่นเหตุดังนั้นมารจึงเหาะลอยอยู่บนเวหาตรงพระพักตราสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์แล้วร้องทัดฐานห้ามปรามว่าโพมาลิสะข้าแต่พ่อสิทธารถผู้เนิรัทุก มีแต่ความจำเริญพ่อจะกระสันเป็นทุกข์ทำไมนับแต่วันนี้ไปเจ็ดวันทิพยะจากแก้วจะเลื่อนลอยมาสู่สมบรมโภธิสมภารท่านตั้งปัญหสหาสารังอันว่าจากแก้วอันเป็นทิพนั้นแล้วด้วยแก้วไยทูลมีทั้งกงและดุมเดินอยู่ใต้ปัตภพีพื้นมหาสมุทร จะผุดลอยมาสู่สมบรมโมโที่สมผานพ่อแล้วอย่าสงสัยพ่อจะมีพระราชอาญาแพ้ไปจะได้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่แต่ละทวีปนั้นมีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวานนานไปก็จะได้พระราชโอรสมีฤทธเดชรูปโฉมงามตามเสด็จดูแลต่างพระเนตรพระกันยังอีกเจ็ดวันท่านจะได้เป็นจอมทวีป จะรีบออกบรรพชาต้องการอะไรโสตัสะตังสุตวาฝ่ายว่าพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงพระสวนาการถ้อยคำมานมาว่าดังนี้ก็สังเวชพ้นกำลังดังบุรุษถือเหลาเหล็กลุกเป็นเปลวร้อนรนอยู่ยังข้ามแล้วมิหนำยังมีบุคคลเอาเหลาเหล็กตามเข้าทั้งสองโสดซ้ายขวายะถามีอุปมาฉันใด เมื่อพระบรมโพธิส wow, ah ัตว์ได้ฟังมานว่าก็ไม่สบายพระโสรแสนสังเวชพระไทยมีอุปมาเหมือนฉะนั้นนะบอพิษพระราชสมภารถ้ามิฉะนั้นปานดุดหนึ่งกองเพลิงอันใหญ่อันรุ่งโรดโชตนาการเป็นกำลังอันเยนะกัดเถนะยังมีบุคคลผู้หนึ่งเอาไม้แห้งอื่นๆมาทุ่มเข้ากองเพลิงใหญ่นั้นเล่า ก็รุ่งโรธโชตนาการเป็นเปลวร้อนยิ่งกว่าประมาณยะถาจะมาอุปมาฉันใดน้ำพระทัยพระโพธิสัตว์สิเหนื่อยนายจากราชสมบัติโทมนัตกระสันอยู่โดยปกติแล้วครั้นได้ฟังมานว่ายัางอีกเจ็ดวันจะได้เป็นบรมจักรน้ำพระทัยก็สลดสังเวชสุดกำลังมีอุปมาฉันนั้นมหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งอันว่าพื้นปัทถภีที่ชุ่มชื้นเปียกแฉะด้วยน้ำเละเลื่อนอยู่แล้วและมีนำํำยังมีมหาเมฆตกซ้ำลงมาก็ถึงซึ่งวิกกลเปียกเละชื้นหนักไปยะถามีครุวนาฉันใดน้ำพระทัยพระบรมโพธิสัตว์เจ้า โดยเป็นปกติก็เหนื่อยหน่ายต่อสมบัติซึ่งมีอยู่แล้วมานยิ่งมาว่าดังนี้เล่านาำพระไทยพระโพธิสัตว์เจ้ายิ่งกระสันเบื่อหน่ายหนักไปมีอุปมาฉันนั้นนะป่อพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสผู้เป็นเจ้าเมื่อมานว่า ยังอีกเจ็ดวันจากแก้วอันเป็นทิพย์จะบังเกิดนั้นทำไมพระพิทธศเจ้าจึงไม่กลับพระไทยคอยอยู่ให้จากแก้วอันเป็นทิพย์บังเกิดเล่าพระนาคเษนเจ้ามีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเทวดาผู้เป็นมารมาเจราจาปรรมหลวงนั้นหาจริงไหม หิงมาดว่าจากแก้วจะเกิดในเจ็ดวันก็ดีสมเด็จพระสิทธารถบรมโพธิสัตว์ก็ไม่กลับเหตุไฉนเหตุว่าน้ำพระทัยพระโพธิสัตว์เจ้านั้นทันหะคาฮิโตถือมั่นคงในพระองค์พระอนิจจังถือมั่นคงในองค์พระทุกขังถือมั่นคงในองค์พระอนาตตาอุปาทานัคยับ ป, ปัตโต พระบรมโพธิสัตว์ขาดศูนย์จากตัวอุปาทานอันถือมั่นสำคัญไหลหลงพาวงอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะสัมผัสจำเดิมแต่เห็นวิปปาการของนางสนมทั้งหลายก็เบื่อนายชิงชังทรงเห็นว่าเกิดมามีแต่ชาติตุกข์ชาราทุกข์พยาทิทุกข์มารณะทุกข์อนิจจังไม่เที่ยงแท้ หนุ่มสาวก็จะแก่จะตายไม่เที่ยงแท้ลงตรงไหนอนัตตาจะถือว่าตัวกระไรได้พระองค์โปลงเห็นเป็นอุปาทานขันไม่ปรารถนาที่ว่าจะเกิดในภพทั้งสามสืไปอย่างนี้หรือน้ำพระไทยจะกลับประวัติยินดีด้วยสมบัติบรมจากจอมทวีปเล่าเห็นว่าสมบัตินั้นเปล่า จะยั่งจะยืนหามิได้หน่อยหนึ่งก็สิ้นศูญไปเหตุฉนี้น้ำพระไทัยจิงไม่ปรารถนามหาราชะขอถวายพระพรบ่พิถพระราชสมภารผู้ประเสริฐดังอัตมาจะขอถามพระองค์บ้างเหมือนหนึ่งว่าอุทะกังอันไหลหลังพังออกมาจากมหาสะอนโนดานั้นก็ย่อมไหลลงสู่คงคา อุทกังในคงคาก็ไหลมาสู่มหาสมุทรอุทกังในมหาสมุทรก็ไหลไปสู่ปากบาดาลเป็นธรรมดาชนีหรือบ่อพิษพระราชสมภารหรือว่าอุทกังที่บาดาลมุกคืออุทกังที่ไหลออกจากปากบาดาล น, นั้นไหลกลับมาสู่มหาสมุทรอุทกังในมหาสมุทรไหลมาสู่คงคาอุทกังในคงคา ไหลกลับมาสู่สะอนโนดาตสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโ์การตรัสว่านหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าใช่กระนั้นอันพวกอุทกังที่ไหลามานั้นจะได้ไหลกลับทวนมาหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชายานพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะ ดูกระปบพิษพระราชสมภารข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระบรมโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญพระราชกุศลสร้างสมพระบารมีท้่วสี่อาสงขายแสนกันจนบรรลุอัตภาพนี้เป็นที่สุดปริปักกังโพธิยานังพระโพธิญาณของพระองค์แก่กล้าแล้วยังอีกหกพระวัตรสาก็จะได้ตรัสแก่พระบรมาพิเศษ โลเกอุตมะบุริโสเป็นเอกอัคารรบุคคลอุดมในโลกจะกลับมายินดีด้วยจากแก้วต้องการอะไรอุปมายดุดอุทธกังอันไลหลัง ล, งลงสู่ปากบาดาลแล้วไม่ได้นิวัตนาการไหลกลับหลังฉะนั้นอะปิจะอัน่งโสดนุขโขดังอัตมาจะขอถามมหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ปราถนาพระโพธิญาณทรงสร้างพระบารมีมานานนับสี่อาสงไขยแสนกันจะสําเร็จพระโพธิญาณอยู่แล้วน้ำพระไทยจะมาอาลัยอยู่ด้วยสมบัติบรมจากเจียวหรือบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าณหิพันเต ถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ไหนน้ำพระไัยพระพูธิสัตว์จะกรบรักสมบัติบรมมาจากนั้นเป็นอันว่าหาไม่ได้พระนาคเกษจิงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอกพิพ ร, ราชสมภารผู้ประเสริฐพื้นปฐพีใหญ่จะล่มจมไปก็ตามทีบรรพฤษขีรีทั้งหลายจะหักทำลายไปก็ตามที น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่จะแห้งเหือดไปก็ตามทีน้ำพระไทยของพระโพธิสัตว์เจ้ายัางไม่ได้สำเร็จแก่พระโพธิยานตราบใดที่จะกลับพระไทยรักซึ่งสมบัติบ ร, รมจากนั้นหาไม่ได้ตั้งพระไทยแต่จะให้สำเร็จพระโพธิยานเป็นอย่างยิ่งมหาราชดูกระบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในมนุษย์ อันว่ามหาสมุทันใหญ่อปริมิตะชละทโรทรงไว้ซึ่งอุทกังจะนับคณนาไม่ได้อุทกังในมหาสมุทันใหญ่นั้นจะแห้งลงไปยังเหลืออยู่น้อยเท่ารอยเท้าโขก็ตามทีพระบรมโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสตราบใดจะให้พระองค์กลับพระไทยเสียนั้นไม่ได้เลยเป็นอันขาด ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งอันว่าน้ําในมหากรงคาไม่ได้ไหลกลับทวนกระแสไปฉันใดน้ําพระไทยพระโพธิสัตว์แม้ยังไม่ได้ตรัสก็ไม่ได้กลับเหมือนดังนั้นอันหนึ่งมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารถึงมาดว่าเขาสิเนรุราช จะแตกออกเป็นร้อยภาคพันภาคประการใดก็ดีอันน้ำพระไทยพระปูธิสัต์นี้ถ้ายังไม่ได้ตรัสจะได้คิดกลับนั้นหาไม่ได้เป็นอันขาดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งแม้อากาศจะกลับน้อยเข้าเท่าเสือลำแผนก็ดีน้ำพระไทยพระปูธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสตราบใด จะรู้กลับไปเป็นว่าหาบ่ได้มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งอันว่าพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวทั้งหลายที่ไหนจะพึงตกลงมาเหนือแผ่นพื้นพระสุทธานี้ได้น้ำพระไยพระบรมโพธิสัตว์ผู้สร้างพระบารมีท่วนสีอสงไขยแสนกัน ยังเหลืออยู่อีกหพระวัตรษาเท่านั้นก็จะได้ตรัสเมื่อในระหว่างนั้นพระยามานจะมาว่าให้กลับพระองค์จะกลับที่ไหนเหตุว่าสัาพพาพันธนาห่วงทั้งปวงนั้นปัทาลิตาองค์พระบรมโพธิสัตว์ทำลายเสียสิ้นแล้วสมเด็จพระเจ้าวิรินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาฆเสนะ ข้าแต่พระนาเคเษนผู้ปรีชาโลเกพันธนานิอันว่าห่วงจะจำสัตว์ผูกสัตว์ไว้ในโลกนี้มีประการเท่าใดเล่าพระนาเคเษนจึงเถระวาจาว่าทะโขอิมานิขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารห่วงคือเครื่องจำมีสิประการจำสัตว์ไว้ในสงสาร ให้ทรมานเกิดตายอยู่ในโลกนี้มหาราชาขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารเครื่องจำสิบประการนั้นคือมารดาประการหนึ่งบิดาประการหนึ่งภรรยาประการหนึ่งบุตรประการหนึ่งญาติประการหนึ่งมิตรประการหนึ่งทรัพย์ประการหนึ่งลาบสการะประการหนึ่ง อิสริยยศประการหนึ่งกามคุณห้าประการหนึ่งสิริท้วนสิบประการเท่านี้ห่วงที่จำสัตว์มนุษย์บุรุษหญิงชายไว้ในโลกสิบประการนี้ถึงมาดว่าสัตว์จะสละไปก็ย่อมจะเป็นห่วงเป็นใหญ่อะไรต้องกลับมาทัศพันธนานี้อันว่าเครื่องจำสิบประการนั้นปาทาลิตานี้ อันองสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราทํำลายเสียไม่ใฝ่ฝันตัดสมาเหตุดังนั้นสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเมื่อพระยามาลมาว่ายังอีกเจ็ดวันจะได้เป็นบรมาจากนั้นพระองค์เจ้าจึงไม่ได้กลับขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่า พันเตนาฆาเสนาฆาแต่พระน า, าเกษตผู้ปรีชานี่หากจะว่าไปเมื่อพระยานยังอ่อนอยู่นี้จิงมาดว่าเทวดาผู้เป็นมารจะมาว่าให้กระสันด้วยคำของตนว่าดวนออกสู่มหาพิเนสกรมกระทำทุกกระะกิริยาไปให้ลาบากต้องการอะไรเมื่อพระยามารว่าดังนี้ ทำไมพระองค์จึงไม่คอยอยู่ให้ยานแก่เล่าถ้าว่าพระโพธิสัตว์เจ้าจะนิ่งอยู่ในราชฐานโดยช้าให้พระยานแก่กล้าแล้วจึงออกสู่มหาพิเนศกรมตรัสเป็นพระทีเดียวจะไม่ได้หรือพระนาคเษน จ, จึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิทพระราชสมพานบุคคลสิบประการนี้ เป็นที่โลกดูหมินนินทาไม่มีคาระวะยำเกรงขมเหงดูถูกสบประมาทหมินได้บุคคลสิบประการนั้นใสวิทวาคือได้แก่สตรีที่เป็นไม้เป็นที่คนทั้งหลายดูหมินประการหนึ่งทุพพโลคือบุคคลทุพพลภาพประการหนึ่งอมิตตยาติคือบุคคลหามิตรหายาติไม่ได้ประการหนึ่ง มหักฆโศคือคนมีค่าตัวมากประการหนึ่งครุกาพาธิโกคือบุคคลเจ็บปวดเป็นไข้หนักประการหนึ่งปาปะมิโตคือบุคคลมีมิรชั่วประการหนึ่งทนะฮีโนคือบุคคลถอยจากทรัพย์หาทรัพย์ไม่ได้ประการหนึ่งอาหารฮีโนคือคนจนขัดสนด้วยอาหารประการหนึ่งกรมมะฮีโน คือคนจนหางานทำไม่ได้ประการหนึ่งวโยปะริฮีโนคือคนเสื่อมจากวัยพ้นจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่เท่าประการหนึ่งสีริจำนวนท่วนสิบประการเท่านี้พระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเรามาทรงพระดำริถึงเหตุสิบประการดุดวิสัชนามานี้แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้ว่า มาเมกัมมหีโนอัตสังเราอย่าเป็นผู้เสื่อมจากการงานของเราเพราะบุคคลผู้เกียจคร้านถอยจากความเพียรย่อมเป็นที่ติเตียนแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยันนูนาหังกรมมัสสามิอย่ากระนั้นเลยอัตมานี้จะเป็นนายงานกรมมะคุรุจะเป็นครูผู้ชี้แจงการงานกํมมาทิปเตยโย จะเป็นใหญ่ยิ่งในการงานกัมมะสีโลจะเป็นผู้มีปกติคระทําการงานกัมมะทาเรยโยจะทรงไว้ซึ่งการงานกัมมะนิเกตวาสีจะมีอุตสาหะในการงานอยู่เป็นนิดกัมมะพันธนเนนะอมุตโตจะไม่ปล่อยปละละอยู่ให้เป็นผู้พ้นว่างจากการงานอปปมตโต ควรจะรีบขนขวายเป็นคนไม่ประมาทตั้งใจบำเพ็ญการกระทำเสียประมาทอยู่หาขวดไม่พระโพธิสัตว์เจ้ามาสัญญาในพระไทยชะนี้จึงกระทำทุกกระกิริยาเพื่อจะให้พระยานแก่กล้าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา เมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้ากระทำทุกการกิริยานั้นมาตรัสอย่างนี้ว่าอาหังอันว่าอัตมากระทำทุกการกิริยามาลำบากนักหนาอัตมาก็หาได้ซึ่งอุตริมนุสธรรมอันพระอริยะเห็นประจักษ์ด้วยอริยะญาณไม่ดังอัตมาวิตกไปหรือว่าทางอื่นที่ไหนกระมัง จะเป็นที่ตั้งที่ให้สำเร็จแก่พระโพธิญาณพระโพธิสัตว์เจ้ามาป ร, รารภรำพึงการกระทานี้พระองค์มีสติเคลิ้มไปกระนั้นหรือพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิทระราชสมภารทำที่จะกระทาจิตให้ทุพลภาพมิให้สมาธิตั้งมั่นสิ้นอาสวะลงได้นี้ มียี่สิบห้าประการขอถวายพระพรอันว่าทำยี่สิบห้าประการนั้นกะตะเมคือทำสิ่งใดอันว่าทำยี่สิบห้าประการนั้นคือโกโทความโกรธประการหนึ่งอุปนาโโหผู้โกรธไว้ไม่รู้หายประการหนึ่งมัคโโหลบหลู่คุณท่านประการหนึ่งปาาโสตีเสมอท่านประการหนึ่ง อิศาริศยาท่านประการหนึ่งมัชเริยังตรณีประการหนึ่งมายามัญยาประการหนึ่งสาเถอยังโอ้อวดประการหนึ่งถ้ำโพใจกระด้างหัวดือ้ออาจารย์ว่าไม่ได้ประการหนึ่งสารลำโพแข่งดีประการหนึ่งมาโนถือตัวประการหนึ่งอติมาโนโดูหมิ่นท่านประการหนึ่ง ทะโมมัวเมาประการหนึ่งปมาโทประมาทประการหนึ่งทีนมิธังความง่วงเหงาหานอนประการหนึ่งตันทีความคลานกายเพราะกินอาหารมากประการหนึ่งอารัสยังคือเกียรติคลานประการหนึ่งทุพพลังความเป็นผู้อ่อนแอประการหนึ่งปาปามิตรุปเสวีเศพมิตรเป็นบาปประการหนึ่งรูปัง ยินดีในรูปประการหนึ่งสัตทงังยินดีในเสียงประการหนึ่งคันทางยินดีในกลิ่นประการหนึ่งระสังยินดีในรสประการหนึ่งโพธพังยินดีในโพธพภะเค้าคราึงรูปต้องประการหนึ่งคุ ธ, ธาปิปาาอยากข้าวกระหายน้ำประการหนึ่งสิริเป็นธรรมยี่สิบห้าประการด้วยกัน อันว่าธรรม25้าประการนี้กระทำให้จิตทุกพลภาพมิให้จิตเป็นสมาธิตั้งลงสู่อาสวัคคายานได้มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโพธิสัตโตปนะแม้อันว่าสมเด็จพระเจ้าโพธิสัตเจ้าพระองค์กระทำทุกกรกิริยาครั้งนั้นเสวยอาหารน้อยลงน้อยลง พระองค์ก็หิวอ่อนด้วยอดอาหารน้ำจิตจริงทุกพลภาพไปไม่ได้สมาธิอันจะตั้งมั่นเป็นอาสวัไขได้สมเด็จพระโูธิสัตว์สร้างพระบารมีท่วนสี่อสงไขแสนกันจะเกิดในชาติใดๆอย่างสร้างพระบารมีอยู่ในชาตินั้นๆก็ย่อมแสวงหาที่จะให้ได้พระจัตุราริยสัตว์ทุกชาติมาก็ฉะไหน เมื่ออภิสมัยชาติจะได้สำเร็จแก่พระสันเพชรโพธิยานในปัจชิมะที่สุดชาตินี้จะได้เคลิมพระสติไปเล่าพระองค์จะมีสติเคลิมไปหาไม่ได้เป็นแต่เพียงพระองค์มีปัญญาสำคัญไปว่ามรคาอันอื่นกระมังจะเป็นที่ตั้งที่จะให้ตรัสแก่พระภูธิยานมหาราช ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารอย่าว่าแต่ความเป็นประการนี้เลยปุบเพวแต่เมื่อแรกพระองค์ประสูติได้เดือนหนึ่งนั้นพระนมพาตามเสด็จพระปิตุเรศไปแรกนาพระนมทั้งปวงนั้นแต่งที่สิริสายาดใต้ร่มรุก ข, ขชาติไม้ว่าต้นหนึ่งจึงเชิญให้พระบรมโพธิสั์เจ้าบรรทมอยู่ใต้ร่มไม้ว่านั้น สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าครั้นแม่นมพากันไปดูแรกนาะละพระองค์ไว้ผู้เดียวพระองค์จึงทรงลุกขึ้นทรงนั่งปันลังกังอาพุชิตตวาคู่บาลังนั่งขัดสมาธิพระไทยสงัดจากกามอากุศลธรรมทั้งปวงก็ได้ประถมมาชานอันประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดจากวิเวก แล้วได้ทุติยชาญจะตุถชาญต่อไปพระองค์จะได้เปล่าไปจากความเพียร น, นั้นหาไม่ได้กระทาทางนี้เพราะปรารถนาที่จะให้พระบารมีแก่กล้าสำเร็จแก่พระโพธิยานบ่พิพึงสันนิฐานเข้าพระไทยเถิดจะว่าพระองค์มีพระสติเคลื่อนเฟุ้องซ่านไปนั้นหาไม่ได้ที่ว่าทรงกระทาทุกกระกิริยานั้น เพื่อจะให้พระบารมีแก่กล้าขึ้นเท่านั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสำปฏิฉามิโยมจะรับคำของพระผู้เป็นเจ้าไว้พระภูติสัจเจ้าของเรานี้พระองค์กระทําทุกกระกิริยาเพื่อจะให้พระบารมีแก่กล้าอย่างนั้นหรือ โยมพึ่งจะมานาสิการเข้าใจในการบัดนี้ทุกกะระการิกะปัญหาเป็นคำรบหกจบเพียงนี้